<Book> 35. ทริสที่สนามบินอัวร э ์โปลตดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบสบุหรีค่ค่ะ Kalilaska, m i e s t e l а a u naušaluodė l y g u о ų ดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะ ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงค ะ, ะ, ลละ р ุ м ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมค ะ, ะไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่า น, นั้นคะ่ะเราจะไปถึงเมื่อไร่คะ ем เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไร่คะ รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะคุณจะไปเราเลดเซาทูบูสุดเซนเตอร์ฮูระดัมนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะเฮตาวัชชะมาดันนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมค ะ, ะเฮตาวัออชชะซุมกัมนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ เฮตาวาชบดิฉันสามารถนํากระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะทุลกิบาจูยังมาหูจะซบอยยี่สิบกิโลกรัมดวสิกิโลกรัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะ